ห้าสิบแปดนก็เรียร์ฉันก็เรียร์อวัยวะอับกับขึ้นค่ะอับกับขึ้นค่ะดิฉันวาดรูปผู้ชายเซขุ่ยฟกสูรตเซจ เขุฟก <RTX> ์สูตรเสเริ่มจากศีรษะก่อนผู้ชายสวมหมวกขุฟกมเป้าอบกรชกมองไม่เห็นเส้นผม ชันเาซึ่งคว้าเาวกรัาซึ่งคบมองไม่เห็นหูด้วยทาคุมขาขึ้นคว้าเาวรบถาคุมขาขึ้นาเส้าวบมองไม่เห็นหลังด้วยถือซริกวาวรบรารบ ดิฉันกำลังวาดตาและปากเซเนฮัมเรจัมเรสรัตเซชซนฮัมรจัมรสรัตชผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะคุลฟอรกาเอาจิชคุสฟอรอจิมชข ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาวคุมอเจฮะคุมอจฮะเขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขาัชบชเอชบชอเขามีผ้า พ, พันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย อ๋อเดลยิ่งเชี่มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็นแขนแข็งแรง เขาก็แข็งแรงด้วยอาฮรเอาฮรเผู้ชายคนนี้ทำมาจากฮีมะคุฟกรวัสมัคุฟกรวัสมัแต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคุม อัชรอนเจจิัลตวีชอรบัรนเจัลวชรบแต่เขาก็ไม่หนาวสั่นเขาขุดฟรักรชะสเอรบเาขุฟัรอรบเขาคือตุ๊กตาหิมะอรสลอร์วสิล